พระธรรมเทศนาลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าธรรมะปฏิบัติเบื้องต้นณนะวัดป่าโคกใหญ่พวกลูกหลานพวกเข้าทันทั้งหลายธรรมะพิจารณาเบิ้งแล้วนับว่าโชคดีย่างมากนะอาณาจัพรท่ า, ยยาโิโยมหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเองกับหลวงพ่อวโชคดีมาก เออทำไมจังว่าโชคดีพ อ, อยังหลวงพ่อนี่นะบวชมากแต่อายุสิบเอ็ดปีเออสิบเอ็ดตอนสิบสองปีลูกหลานบางคนหลวงพ่อเนี่ยบวชเป็นเน้นปีสองพันหารอยนะเป็นสนัมมณเณรปีสองพันห้าร้อยเป็นเน้นจูแปดปีบวชตั้งปีสองพันหาจนปีสองพันตอนศูนย์แปดี08ปีศูนย์แปดหลวงพ่อก็บวชเป็นพระบวชเป็นพระอ่แล้วก็จำพรรษา เ ป, น เ, นเป็นเน่นอยู่ก็เป็นเน่นหลงปู่หลาเนีลูกหลานจู่แถวนี่ยก้องจะไปผู้เจาะกอนะเป็นเน่นหลวพ่อเป็นเน่นน่อยหลวงปู่ผู้ผู้ผู้เจาะกอดหลวงปู่หลาไปอยู่ผู้เจาะกอดปีสองพันห้ารอยเนหลวงพ่อก็เป็นเน่นสองพันหารอยอู่กับเพิินเป็นเน่นอง์แลกนะเป็นเล็กน้อยอยู่อยู่ลำเพิินแล้วก็เป็นเน่นอยู่แปดปี<ม>เนีอยู่กับหลวงปู่ตลอดบวชไปซเนี่ยพ่อปีเก้าพ่อบวชปีสอง ปี08ก็เป็นพระกระจังพรรษาอยู่กับหลวงปู่ไหลพันษาหนึ่งปี2588พ่อต่อมาหลวงปู่จามลูกหลานก็ฟ้องบางคนก็ฟ้องจะได้ไปกราบหลวงปู่จามมาหาปุญโยอำเภอ่ําเชียอี๋จังหวัดมุกดาหารหลวงปู่จามเป็นหลวงอาหลวงอาของหลวงพ่อได้เป็นน้องชายโยมพ่อแท้ๆของหลวงพ่อเพิ่นมาจากเชียงใหม่เพิ่นบวชม่าน คนบวชมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าปีไปอยู่ทั้งเชียงใหม่ถึงสามสิบขวปีวนะเนี่ยบ่อไม้เยี่ยมบ้านบ่อมาเหยียบบ้านเลยฮะเนพอพ่อแม่เพิ่นบอกว่าบ่อต่องห่วงต ล, ลูกนะบวชเข้าบ้านทานไหนจีพจนทุกในวัดฏสงสารบ่อต่องห่วงพ่อแม่มีลูกหลายพนตั 7, 8, น้งเจ็ดแปดเก้าพ้นเขาเลี้ยงได้ลูกเอาไปบอกไว้ในพระพุทธศาสนาจะไปไซไปโหลดหลงปูจามุทิตไปเตลิดเปิดเปิงอนะไรวะเนี่ยไปอยู่ทั้งเชียงใหม่ อยู่กับลงปูแหวนอยู่กับลงปูตึงลงอยู่ลงปูชิมลงปูชอบนะไปอยู่แถวเชีงยงใหม่เอจนอายุแปลว่าทำแมนเสือกลายแมนล่หมดตัวออกไปอบอมมี่ไล่พนออกไปนี่แหละลงพอยังบอกกับพระหน่อยพานมทั้งหลายพวกสุเจ้าทั้งหลายบวชขามาแล้วย่าไปหาอยู่วนๆวกๆวนเวียนในบ้านหนีห àng, ่างๆไกลๆถามว่าพวกสุเจ้าวกวนเวียนอยู่ในบ้าน นี่กี่ท่านเก่านะมันมันติดง่ายเด้อายุประเสรในศาสนาแล้วมันอยากเซิกไปเนี่ยยังหลวงปู่จามเป็นตัวอย่างพ่อบวชเขา่าเลยเพิ่นหนีออกจากบ้านของเพื่อนไปอยู่ทางเชียงใหม่คนน่ะจนอายุเพิ่นหกทิพย์็ดทิพย์นน่ะเป็นยังโค้งมากเพิ่นมาอยู่จําพรรษาอยู่ทางบ้านเพราะเขาไปในมโนมากบ้านลูกหลานไปในมโนมากเพิ่นก็ปฏิเสธเพราะไรเพิ่นก็เลยมาอยู่บ้านหอยทรายเดี๋ยวนี้หลวงปู่จามก็อายุ ร้อยสามปีกว่าแล้วเดว้ในบรรดาพระทั้งหลายทูตลงุงปูจามจะมากกว่าเหมือนเป็นมดที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อก็มาอยู่กับหลวงปูจามปีศูนย์เก่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไลยไปจพาพรรษากันหลวงปูแวนบันเนี่อไปอยู่กับหลวงปูแวนสองพันห้าร้อยสิบฮ่าสองพันรอยสิบเอ็ดหลวงปูจามกลับมาเสียงมาจากมุกดาหารอีกพออ่อญาติพี่น้องไปนิมนต์มาก หลวงพ่อก็ได้ได้ตามพันลงมาอีกมาจำมันษากับล ง, ลงอาหปีสองพันห้ารอยสิบเอ็ดจากนั้นสองพันห้ารอยสิบสองหลวงพ่อจึงได้มาอยู่วัดปลาบ้านตาดจนสองพันห้ารอยสิบานี่นี่แหละชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยทั้งชีวิตเลยวันออไปตั้งแต่อายุสิบเดิบสองปีจนถึงปานเนี่ยแหละวันไปปานเนี่ยเท่าไรปานเนี่ยอายุหกสิบเจ็ดปีเลยเล้ยลูกหลาน 6 7สิบเจ็ดกสิบแปดปีแล้วเกือบจะเขา70เจ็ดิแล้วนะแต่ก็มีพผู้ถามว่าเป็นในหลวงพอบวชข้ามาหรือเสียใจบ่หลวงพอบอกตอบเลยเลยว่าหลวงพ่อภาคภูมิใจย่างมากตีไในบวชมาชีวิตนี้ทั้งชีวิตได้มอบไว้ในพระพุทธศาสนาในประพุท ธ, ป, ทธปฏิบัติคุณงามความดีใ น, ในรักษาศีลภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นับว่าโชคดีมากเกิดมาชาตินี้นี่หลวงพอ่อว่าพวกเขานะลูกหลานนะยังว่าโชคดีเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ผูบาอาจารย์สายหลวงปูมันอหลวงปูมันท่านสอนจังไรบันให้พวกเขายึดตามแนี่แถวสายพันหน้าพันสอนจังไรพ่อแม่ผูบาอาจารย์ของพวกเข้าหลวงปูหลวงตาได้พันสอนจังไเพัาานสอนให้ภาวนาพุทธโอหลวงปูมันนะ เพิน่นสอนในพระวนาพุโทโธเนอะลูกหลานเนอะเพิ่นสอนลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นคือกันสอนหลวงปู่หลา่าสอนหลวงปู่ฝันสอนหลวงปู่ต่างๆสายหลวงปู่หมันนะให้เพิน่นเพิ่นสอนในพระวนาพุโทโธปั๊ดเออเป็นเพิน่นบอกว่าเออพุโทโธอานาปานัจติบริกรรมพุโทโธนี่เกือบถูกกับทุกเจริญคนมาเออเกือบถูกกับทุกเจริญคนเทามีเจริตอยู่ราคะจริญโทษเจริต โมหะจริตวิตกจริตพุทธะจริตเนี่ยราคาจริตก็คือความรักฉวยรักง่ามโทษสาจริตก็คือความชอบโกรธไรบ่อยไปมีโมโหขึ้นมาอคือโทสาจริตโมหะจริตคือหลุมหลุมลงลงปมปั๊มเปร์เปอร์โมหะจริตพุทธะจริตก็คือชอบเป็นผู้ชอบคิดวิตกจริตก็คือใครๆว่ามียัง เบื้องเล็กๆหน่อยๆก็มาคิดมามกวิโตกังวลอยู่หันอันนี้แหละวิโตกจริตหลวงปูหมันเพิ่นบอกว่ากรรมฐานภาวนาพุทโธกับอาณาปานสติเกือบถูกกับทุกเกือบทุกจริตเกือบถูกกับทุกจริตเกกรพราะนั้นพวกลูกหลานฟั่งใบเน้าอันนี้แหละกรรมฐานของหลวงปูหมันสอนลูกศิษย์ลูกหาของเพิน่นเพราะนั้น ผู้บายจานต่างๆประโนเอ่ยภาวนาเน้อพุดโถเน้อตามแนวแถวหลวงปูหมันเปินสอนไว้เน้อนี่แหละมาฮะนี่เวลาภาวนาเหตุยังไดเนี่เวลาเข้าก็เวลาเข้าสิภาวนาเน้ายวันพระวันเจ้าวันพระวันศีนเข้าบริมารักษาศีนยู่ในวัดในว่าเข้าภาวนาในบ้านได้บ๊อได้น่ะเวลาเข้าสิภาวนานี่ยมือธรรมด้าเขาภาวนาได้บ๊ได้นีอหลวงปูหมันเปินสอนยังสั่น คอนห้องสีไวคอนห้างสีรับสีนอ น, นเ้องไหวพระสะกอนไหวพระสะกอนเหมือได้วางว่างบนไอ้ผมมีเอียงไหวพระลาหังสควาคาโต้สุปฏิพโนนโมตัสสะพทุทธัทงธรรมั ง, ง, ง, งสังขังสระนั่งคัจฉ า, ามิจากนั้นก็พ่อไหวพระจบเรียบร้อยกาบพทุทธโธธรรมโมสังโคนิพานังหลงปูหลาคนสอนว่าอย่าไปกาพ่อเป็นพิธีปลกุกปลกุกปลกุปล ก, ลกคือซื้อนะ่าไม่ใช่กาไปกาพทุทโธ ทำโมสังโคนิพานังพ่อขาพรเจ้ากาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานในใจขึ้นจังสั้นตรงปู่ลาวานะ่ะ อ, อจากนั้นพ่อวายเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็นั่งพ่วนาเลยจะนั่งผับเพียบก็ได้จะนั่งคัดสมาธิก็ได้นะสะนั่งคัดสมาธิสองสั่นก็ได้คัดสมาธิเพชรก็ได้ก็สุดแทนแต่ความถนัดของเฮ้าขัานว่านั่งบ่ได้จะแทนให้นั่งเก้าอี้ก็ได้เนะึ้นไปนั่งเก้าอี้เลยก็ น้อมมือขึ้นระวาง อ, อกสะกนพุทโธธรรมโมสังโฆวาคู่สะกนคือไวาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สะกดพ่อวายเสร็จเรียบร้อยแต่แด่บัตรเนี้ยท่านก็เอามือลงพ่อเอามือลงกับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้แหละคือการภาวนาเอานางดนปัญโหรงพอเอานา่นเท่าที่จะนา่นได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็หล่ะ แต่ใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะนั่งยี่สิบสามสิบนาทีสิบนาทีทดลองบางกอนต่อมาเข้าพยายามขึ้นเรื่อยๆแล้วบัด น, นี้ต้องอดทนเลยโอ้ยเวลานางมันปวดแข้งปวดขาหลวงพ่อเออก็ธรรมดาแหละนั่งก็ต้องปวดเนี่ยแต่หลวงพ่อนางบ่าวนะ่ยหลวงพ่อก็ยังปวดเนี่ยเออจะนั่งจะป่อยให้มันปวดได้จังไหนบัทฑนนางฟังร้องฟังล่ําเข้าเขายังนงั่งก็ยังปวดเขายังกดได้บัหานางพ่อว่าหน้าสีบล่อให้มันปวดไปเรื่อยเมื่อกับพงจะเป็นไปจังสั่นบ่อดได้ แต่มันก็ต้องปวดแต่ปวดเท่ากับพุเอาซะก่อนไอ้เท่าจะฝ้าพผิกมันขันบนเหลือทนอนริห์เฮาังคอยผิกะนี่แหละอันนี้คือนางพระวนาพุทโทพุโทโธพุทโทเออต่อไปจิตใจของเท่าจะได้รับความสงบแต่บางคนโอ้เวลานางพระวนาไปนี่มันมันเอาบกคอยอยู่ไอ้เอเอมันมันออกยามไรก็บอกหูทะเลทะไลออกไปเลย จนออกจนจนจะออกจากสมาธิคนนะเนี่ยคอยหูลงพอ่อเออกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเป็นว่างไว่สี่สิบอย่างเนอะระท่า ย, ยติโงมลูกลานพระพระเนี่น้องนุ่งทั้งหลายเด้เอเนีกรรมฐานสี่สิบที่พระพุทธเจ้าว่างไว้วันนั้นเท่าทดลองบางกรรมฐานหนึ่งได้บอจมวลงพ่อบอกว่าให้กำหนดลมหายใจเข้า อหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนียคือกรรมฐานนึงแล้วก็บริกรรมพุทโทพุทโทพุทโทพุทธโทพุทธโทพุทธโทซ้ทับให้ทียิบพต้องคิดไปทางอื่นให้พุทโทพุทโทพุทโทแต่พอทองว่าออกปากเลยห้ใจมันเว้าวไปห้ใจมันบริกรรมอันนี้ก็คืออันหนึ่งเนออันนี้ภาวนาพุทธโทเนี่ยแล้วอันต่อไปอีกหลวงพ่อในน้ำวะ หายใจเข่านับหนึง่งหายใจออกนับสองหนึง่งสองสามสี่ห้าห ก, หกเจ็ดแปดเก้าถึงร้อยพอถึงร้อยบ่อหลงบ้่อเพล่อกลับมาอีกนับหนึ่งอีกมั่นเผลอมันจะเป็นอย่างไงเวลาหายใจเข่าหนึ่งหนึ่งเป็นเลขขี่นะูกหลานจัตถยานโยมนะหายใจออกเป็นเลขขู่สองหายใจเข่าเป็นเลขขี่สมหายใจออกเป็นเลขขู่ส คานามันสีเบอร์หรือมันสีหลงเนี่ยมันสิเบอร์เบอร์เบอร์นะเออมันสีเรื่มเรื่รื่มรื่มหายใจขอมันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่นะอันนี้แปลว่ามันหลงสนแล้วแปลว่าสติเข้าขาดแล้วช่วงนั้นเอาตั้งไหมเออตั้งให้มันเข้มแข็งขึ้นอีกบอกให้มันหลงว่า น, นี้ยตั้งจ่อเบิงๆๆๆๆ้งคาคาคนนั้นนี่แหละวิธีตั้งสตินะแต่ต่อไปเข้ามีความพยายามมีความตั้งใจหมั่นอยู่นะ จิตใจต่อไปใจของข้อก็จะเข้าสู่ความสงบระบาทจิตใจมันจะนั่งนะสงบใจของข้อก็สงบเป็นสมาธิได้ไงเป็นสมาธิได้เมื่อจิตใจของข้อเป็นสมาธิข้าจะรู้ได้เลยร่างกายของข้อเนี่ยเป็นอันนึงมาเนี่ยร่างกายของข้อเนี่ยเป็นอันนึงส่วนจิตใจของข้อเนี่ยเป็นอันนึ่งลงพอเคยเปรียบเทียบให้พวกคณะัศน์ท่าญติดยมฟังั้งร่างกายของข้อเนี่เปรียบเทียบเหมือนกับ ร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจของเขานะ่ะเหมือนกับคนขับรถน่ะี่แหละรถกับคนขับรถพวกเข้าขึ้นบนนู้นมันอันเป็นอันนึงอันเดียวกันห่ดคนละอันกันเลยนั่นน่ะเมื่อจิตสกบเข้าจะเห็นได้ชัดทั้งขนาดนั้นแล้วใจของเขานี่เป็นอันหนึง่งร่างกายเป็นอันหนึง่งนะคือร่างกายของเขานี่ เฮาจะเห็นได้ชัดร่างกายกับใจของเฮาเนี่ยถ้าว่าดูธรรมดานี่เฮาจะโมโหจักว่าร่างกายของเฮาน่ยคือหยั่งใจของเฮาน่ยคือหยังแต่พอจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเฮาจะแยกเห็นได้ชัดเลยร่างกายกับใจนี่ค้นละอันกันนี่แหละพระพุทธเจ้าเพ้นจินหานั่งภระวนาเมื่อพระพุทธเจ้าเพิ้นเป็นนางพระวนาอยู่ โคดตนโคดพุทธกยานพอนั่งจิตสงบลงไปเนี่ยเพลินจิตสงบลงไปโนปุกเพเนวาสานุสติญาลำเลึกชาติผลหลังได้ไอหยางระลึกได้ชาติผนหลังก็ขึ้นใจนั่นแหะขึ้ตัวผู้รู้ของเพลินเพลินระลึกชาติผลหลังก็ขึ้นระลึกถึงมือว่านเข้ามานจะใส่เนี่มือกรเขามานจะใสอาทิตย์กรเข้าวันจะใส่ปีกรเน่าเห็ดหยังเดือนกรเน่าเห็ดหยังปีกรเน่าเห็ดหยังปี เ ท, ท, ท่านั้นทอนปีเท่ า, น, านี้เข้าเฮ็ดยังเนี่ยอย่างที่เออาจารย์พงศ์หลวงพ่อพองศ์ห่อนี่มาอยู่นี่เออมาอยู่นี่สิบสามปีนี่อแต่ละปีเนี่ยเพิ่นเฮ็ดหยังเนี่ย น, นี่แหละคือราลึกชาติคนหลังใด้คือระลึกระ ล, ลึกถึงของเกา่านี่แหละอันนี้คือระลึกชาติคนหลังระ ล, ลึกแบบนี้เขาเรจนขามพบขามชาติพูดนะนี่แหละปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติคนหลังได้ คือตายเราบ่ศูนย์ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยดวงวิญญาณของเฮ้าเนี่ยตายแล้วบ่อศูนย์ก่อนเฮ้าจูงหูจะตายแล้วบ่อศูนย์เนี่ยเฮ้าต้องนั่งภาวน่าเลยนั่งทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบร่วมลงเป็นหนึ่งแล้วเฮ้าจะงหูได้ด้วยตนเองถ้าว่าเฮ้าจิตใจของเฮ้าพระท่านเคยสงบแล้วเฮ้ายาหยับพึ่งปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์นะตายเราเกิดตายเนี่ยร่างกายของเฮ้าเนี่ยตายแน่นอนเอ แต่ว่าจวนยิตใจของเฮาเนี่ยจะต้องออกไปปฏิสนธิไปหาเกิดพบพุ่มต่างๆได้นี่แหละหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้าเป็นบ่อร่มมาคู่ของพวกเฮานี่ยตอนหัวคําเนี่ยเป็นระลึกชาติหลังไดอย่ยงบอกปูเพยเนว่าสานุัติจิตญาณพอถึงเทียงขึ้นบ่เนี่เพิ่นเบิ่งผู้อื่นเนี่ยบ่เนี่ยเบิ่งผู้อื่นคือปึงเบิ่งปิ้งย่านอื่น คนพนนี้เป็นอย่างมากเกิดเออเป็นอย่างมันบกคือกันคนมากเกิดคนนึงเออคนนึ ง, ง, งโง่คนนึงฉลาดเออคนหนึง่งรุ่ยคนหนึ่งจนเออคนนึงพิโกงพิการเออคนนึงนิสัยแต่และคนบกคือกันเป็นเป็นอย่างพระพุทธเจ้าผน้อมองหาเหงาวันวันเอ่อเป็นอย่างคนหนึ่งยังจนเออแต่เป็ น, ปนยงเป็นอย่างคนหนึ่งยังรุ่ย เพื่อนบอกว่าคนที่จนเพราะคนเขาบวชเคยทำบุญไว้ในอดีตคนที่รุยนะ่ยเนี่ยเพราะเขาได้ทํำบุญกุศลไว้ในอดีตอดีแต่ชาติของเข า, นะาเ น, นี่ยยังเพื่นยกนิดยกเป็นชาติยกขืนมาในข้างพระพุทธเจ้าในข้างพุทธการนะพยาพ่าปเสนตอนเชิซ้ายนะไปกราบพระพุทธเจ้าตามปกตินะเนี่ยเพื่นเฉมาตอนเย็นก็ตอนเช้าแต่เมื่อนหะร่เพื่นมาพิษปกติคือตอนใกล้ใกลเที่ยงนะ พระพุทธเจ้าได้ถามว่ามหาภพิษไปไหนมาเมือเ่อไงยังบริมากสายยังไริมากพิษปกติมือ่อไงพญาภิเศรมองโอ้ข้าพระองค์ได้ไปขนได้ไปควบคุมขนทรัพย์ของเศรษฐีนี่จะเจ็ดมือแล้วพระเจ้าข่าบริมากกาพระพุทธองค์บริมากกาพระพุทธเจ้าได้เจ็ดมือพอเอาหลอดเหวียนต่างหารอย ไปขนทรัพย์สมบัติของเศรษฐีมัในไหวในทองประคั่งไ ป, ปเจ้าค่าจึงบัดด้มากกว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าเศรษฐีผู้ดีเนีเอยเขารุ้ยมาเจ็ดชาติอันนี้เป็นชาติทุตท้ายของเขาชาติที่เจ็ดแต่ว่าต่อไปนี่มัดเ่ยบุญเขาเมัดแล้วบุญเขาเมดแล้วต่อไปนี่เป็นคนธรรมดาพอทําน้าแล้วมดบุญแล้ว แต่ว่าเศรษฐีผู้นี้เนี่ยมีเงินทั้งแปดชิปโกดแต่บ่อใส่บ่กินมีแต่หากระเาะขั้นฉีใส่บัดให้กระเสียดายขั้นฉีใส่ลอยเนื่องกับยานมันขาดลอยขั้นฉีใส่เงินพันกับยานมันขาดพันเอออยากมันขาดหมื่นขาดแสนมาหน่ยบ่กล้าใส่มีแต่หาเออล่องเท่าขื้นกันขั้นล่องเท่าอันตัวได้ชำรุดบ่ได้ขาย เออเศรษฐีเอามาใส่เสือพาอขึ้นกันกั้นเผื่อพาคัดคัดมันมีตํานี้เอาเศรษฐีเอามาใส่ผมขื้นกันผมเดีมันมีตํานี้เศรษฐีเอามาใส่สรุปแล้วก็ขึเ้เศรษฐีในบท บ, บกกาใส่ของดีมีแต่ใส่ของที่มันสํารุดเงินกับบกกาใส่แต่ลวยมหาศาลไงเออแต่บ่มีลูกอีกต่างหากผู้เมียก็ตายวันนี้ พ่อพระเจ้าประสเสนที่โคศนพ่อเศรษฐีผู้นี้ตายลงไปว่ามีท่ายาตปัญญาประสเสงก็เล็กประกาศผู้ใดเป็นท่ายาติของเศรษฐีผู้ น, นี้มีบอสเแมรคูมือเนี่ยกับทแมนทีนหลายคนอยู่ไดแสดงเป็นท่ายาตพันธุ์แต่สมัยนั้นกฎหมายของคนมันเข้มงวดเนีสืบไปสืบมากมันบอแมนเขาตัดข้อถี่มันบอละ่นนะไหกยานตัดข้อเนี่ยมีผู้ใดแสดงเป็นท่ายาาตพัน ก บ, บมีผูใ้ใดเป็นท่ายาติประกาศอยู่เจ็ดหมื่อมีท่าญาติพระเจาอ้าวถ้ามีบมีเป็นบมีท่ายาติาาาาากับเก็บลิอสมบัติของเศรษฐีเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงอันนี้ประกาศออกไปเลยก็พระเจ้าพระเศษกันขนเอาเกวียนออกไปลากแล้วบาดขนท่องขนเงื่อนขนจริงขนของ เขามากเก็บในทองพระขั้งเจ็ดมืออนเอาไปจนคนมดพ่อมดแล้วก็เลยกรยกาบขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่เศรษฐีผู้นี้น่ ะ, เ, ะเขารุ้ยมาเป็นชาติที่เจ็ดแต่ชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเขาแล้วเนี เ, เป็นอย่างนี้เป็นเพงสั้นก็คือกันกับชาติก่อนๆเน่ยจังปีนี้แล้วอนเอาไปปีนี้เขาขยันเฮ็ดหน้าเอาไปพอาเฮ็ดหน้านปนันี้ได้เขาหลายเขาเป็นพันคนนะ เอาเข่าไปพันสองสามพันเอาเข่าวมานี่เอาเข่าในเราไว้เอาใส่ในเราไหวบานนี้บ ร, ริเวณตอวานนี้บ ร, ริเวดหน้าตอพอบ่ิเ็ณหน้าตอนี่ยเขากินขา่าวเกาเป็นว่ากินไปไ ก, ดด ก, นกินไปเมื่อก็เมด่อเดะกินข่าวเกาเนาะกินจนเมื่อลงไปอันนี้เจ็ทีก็อะไรเจ็ดชาตินะแล้วเพลินท่าบุญยังว่นนี้พระพุทธเจ้าพระญาติเปรียบว่าเพลินท่าบุญอย่างเพล่นยังรุ่ยถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าเพล่นบอกว่า เศรษฐีผู้นี้เน่ยสมัยหนึ่งเขาเกิดในเมืองพาระลาณสีพระปฏจเ จ, เจ้าเพิ่นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเพิ่นออกมาบินทบาทในตลาดในตลาดกุงกุงพาระลาณสีเนี่อพอมาบิณทบาทปานนี่บ่มีผลไม้ใส่บาทเพิ่นกัญ่างอ่ะแต่โปโลหิตผู้นะี้เนี่ยพร่ำผู้นี้เป็นโปโลหิต อทํางานอยู่กับพระราชาเขาบอกเป็นองค์ขมามณฑีนะพูดง่ายๆครูมือเนี่ยบอเป็นองค์ข้ามตรีว่าในเพิ่งเกิดอยู่ในตลาดเห็นพระประเจกเดินบ่มีใส่บาตรพร ะ, พระองค์ข้ามณฑีเลิประกาศกันไปเอ้ยพวกเข้าทาั้งหลายใส่บาตรพระประเจกเออพระประเจกมาบินธบารใส่บาตรเพิ่นใส่บาตรใส่บาตร อ, อ้ น, นี่คนประกาศกันไปพอพี่น้องลูกหลานไในนี้องค์ข้ามตรีประกาศแจ้งจัน เขาเขได้มาใส่บาด พ, พ่อประเจตผู้แต่เจ้าแต่ส่วนองค์เขาม่นตีนี่บอไซเนะประกาศไทมูใส่ซื้อฮู้ลงไปพ่อประกาศแหละตัวเองกันยังเฉยฮู้ลงไปเออคิดในใจอีกต่งงางหากว่าสมณะหัวโลนเนี่ยเอาเปรียบโม่มาบินทบทัตได้เขาไปกินละปุ๊บไปนอนอยู่ในปลาคานะน่ะเออบอได้ซอยบ้านซอยเมืองกันยังไะเอ๊ ถ้ามเพราห็นนีมคิดในใจคนเราไปก็เลยบรรยัดไอ้ถ้ำบุญวัดไอ้ถ้ำบุญเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไปทำเขาไปในเวียงในว่างทางานต่อพระบัจเจยเพื่อนกะ็ะเดยอาหารอจากนั้นเพื่อนกรห้อไปฉันอยู่ทําของเพิินกับหมูพระบัจเจยน้ำกันนี่นแหละอันนี้สงที่ประกาศให้คนท้ำบุญข้าวนั่นแหละพร้ามคนนี้เนี่ยลวยอยู่เจ็ดเจ็ดชาติเออลวยอยู่เจ็ดชาติ เออแต่พวกล้ากินกล้าใช่ได้บ้านนี่ยพกล้ากินกล้าใช้เพราะโปแมนสมบัติของเจ้าของบเจ้าของบอกเคยทํานบุญประกาศให้พวกเอินทําบุญขั้นสีใส่ปาได้ก็เสียดายมันออกไปเสียดายเสียดายเงินเสียดายของเล่บวกกล้าใช่พวกล้ากินกับขั้นที่ที่ได้มาเนี่แหละเออเศรษฐีพู้นี้เจ็ดชาติรั่วอยู่เจ็ดชาติเพราะอเนกสงค์ประกาศบอกบอกประกาศให้คนทําบุญ ปั้นโมเมนสมบัติของเจ้าของเนี่ยเป็นเป็นสมบัติของผู้อื่นเพราะในตัวเองก็บ่กากล้ากินกล้าใช่แต่รั่วยอยู่เพราะชาติที่เจ็ดเนี่ยมัดบุญนี่ยข้มัดบุญเพราะพวกทีเจ้าปั้นว่าพาท่ทําน่ายว่าเขาจะไปใส่พราะใดเพราะเขาได้ทําบุญมาแล้วที่เจดชาติเขามัดบุญแล้วเลยจ บ, แ, บ, บแล้วนี่แหละให้พวกเข้าสัท่าญาดง่อมทั้งหลายเนะ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ย มันโมเมนไปใส่เนี่ยมันมาหาเจ้าของมาหาพวกเข้าทั้งหลายทั้งหมดในถ้ำคําสอนของพระพุทธจเจ้าเพิ่นสอนเพิ่นบอกกล่าวไว้จังสันเพราะนั้นพวกเข้าเกิดมาในพพระพุทธศาสนาในพบถ้มคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ตั้งใจเพราะนั้นพระพุทธจเจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นมองเบิ่งว่าผู้นี้มาจากใสมากเกิดเนี่ยอย่างเพิ่นมองเบิ่งพร้ามเหมืนมมมม อ, อนกนแหละพรามเพิ่นเพราะในสงในประกาศให้คนทําบุญเขาจึงรุ้ย เป็นนึ่คนนี้เป็นอย่างยังจนเพราะเขากีเกียดทาบุญทําท่านในอดีตโพนี่เป็นอย่งคนจึงหูหนวกตาบอดเนี่ยเพลินหูจักมัดเพราะว่าแต่แต่ละคนมันทํากรรมต่างกันพนึงทํากรรมอันนึงพูดถึงทํากรรมอันหนึง่งบางคนก็ทํากรรมดีกรรมดีคือขึ้นได้สร้างบุญสร้างกุศลพูดถึงทํากรรมชั่วกันนี่แหละทําบาปอ ก, กุศลต่อยไปตกต่ําเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพน่นยังตรัสเป็นพระบาลีวาน อกตังทุ ก, กตังเส้ยโยปั ช, ชาตปติทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หฟังเอาไวนะ้นะกัณฑผู้ใดทํากรรมบอดีไว้กรรมนั่นจะตามสนองได้ตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าคนสั่งสอนคณะสิทธิ์ญาติ ง, งม่มพวกเข้าทัานทั้งหลายแต่ใ น, นพวกเข้ามาพผลถึงหลวงปูมัน หลวงปู่หมันพวกเข้าในวันโชคดีอย่างมากเออที่น <ะ S 1> ับถมา ก, มากเกิดมากในพบในชาตินี้ในว่าเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ใ น, ในฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่หมันหลวงปู่หมันเพิ่นสอนจังไรรักษาศีลจังไรให้หท่านจังไรและเดินสมาธิจังไรเดินวิปัสสนาจังไรหลวงปู่หมั่นเพิ่นสอนไปหมดจากนั้นหลวงตามหาบวญเป็นผูเพิ่นเป็นผู้มีปีชาติสามารถ เปลืองปราดเพราะเพนไดเลียนทั้งไฟประหยัดจนในเป็นมหาสามประโยคนอยากนั้นเพินภาวนาอภาวนากับหลวงปู่มันจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พูดไ ง, ไง่ายๆพอบพนประกาศตัวของพนเลยหลวงตาเดีมันประกาศเหยเนดะ้เพราะว่าชาติเองเป็นชาติชุดท้ายของเฮ้าแล้วเฮ้าจีบบมากเกิดอีกแล้วนี่แลหละเฮ้ามัดความสงสัยในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแล้วแปลว่าสิ้นชุดของเฮ้าแล้วในชาติเอง หลวงตาเพื่นประกาศยังสั้นเลยเพราะฉะนั้นเท่าจริงถี่ว่าหลวงตาเป็นพระรหัสโกมพนาอบอกตามที่หลวงตาประกาศไปแล้วนี่แหละ น, นั่นเองเมื่อหลวงตาก็ได้แนะนําเอาทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเขียนเป็นประวัติมาเป็นเขียนเป็นแนวท่าให้พวกเข้าได้ศึกษาหลวงตาจะสอนวิธีซ้ำ ส, สมาติทิถ้ำแบบนี้แบบนี้เนอ้อวิธีเดินปัญญาให้พิจรารณาแบบนี้แบบนี้เนอ้อ อันนี้พวกเข้าศึกษานะการเดินวิปัสสนาเดินอย่างไงมาท่านี่พ่อพ่อแม่คู่บาอาจารย์จะเป็นหลวงปู่เสาก็ตามหลวงปู่มันก็ตามคู่บาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาเออของหลวงปู่มันก็ตามเมื่อเพิ่นหลวงรับดับขันไปเมื่อเพิ่นตายไปพวกง่ายๆพวกเข้าได้พระราชทานเพิ่งหรือว่าได้ไประชุมเพิ่งศพของเพิ่นบอ น, นั่นกระดูกของเพิ่นกระเดกกลายเป็นพระธาตุ ไงพวกเข้าได้กล่าวไดว่าได้เห็นผู้ที่เป็นกระดูกเป็นพระธาตุในพระธรรมข่าสอนหรือเป็นเบาในพระไตรปิฎกหรือเป็นพูดทดสืบทอดกันมากผู้ที่กระดูกเป็นพระธาตุคือพระรหัส น, นะเป็นบอกกระดูกพระรหัน์เท่านั้นที่จะเป็นอธิจะเป็นพระธาตุได้เพราะนั้นพวกเข้าได้เห็นพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระธาตุหลวงปูมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ หรออือพ่อแม่คูบาอาจารย์หลายหลายองค์ที่เขาเห็นในเจดีย์ของเพลนเพราะนั่นพวกเข้าถือว่าโชคดีมากเด็เกิดมากพบนี่ชาตินี้ยังได้เห็นเยังได้พบพระอรหันต์อยู่ยังได้พบพ่อแม่คูบาอาจารย์ปฏิบัติ ด, ดีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเยังเป็นพระอรหันต์อยู่เข้าได้เห็นจากนั่นก็พวกเข้าบ่เสียเถี่ยวเสียที่ที่ได้ท่าบุญได้ให้ท่านรักษาศีลเภาหน้า ในฟังธถ้ำค่ำสังสอนของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้ลงพ่อว่าพวกเข้าโชคดีนะลูกหลานหนะ้าดาวว่าพวกเข้าโชคดีแล้วบ้านี้ว่าตัง้งว่าตั้งตนให้ชอบก็บได้ไดเด้ในรักถ้ำคนว่าปฏิรูประเทสวาโซจะเข้าเกิดในประเทศปฏิรูปประเทศประเทศที่เหมาะสมแล้วดินฝ่าอากาศาาาก็บอทํำลายทำารแล้วก็พร้อมกันเข้าด้เกิด เนีนี่หลวงปูหมันหลวงปูเสาพ่อแม่คู่บาอาจารย์นี่เป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเฮาในแนะนําสั่งสอนถูกต้องแล้วเกิดมาพบในชาติปฏิรูปประเทศสวาโซ่ใจปเุเพจกะตะปุญญตาพวกเฮาคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติให้เฮาพัถนาเออผููขาเกิดพบในชาติใดก็ขอให้ได้เลื่อมใสพในพระพุทธศาสนานเออให้ได้พบพ่อแม่คู่บาอาจารย์ ให้อยู่ในโอวาตพระถรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทกพบถูกชาติเนอะอย่าให้ผู้ขาได้เป็นมิจฉาทิฏฐิไปในทางไปในทางที่บม่ถูกต้องอันนี้พวกเข้าก็มาเกิดในประเทศไทยของเข้าอยู่วะปุกเพจากกะตะปุญญาตาพวกเข้าได้ถ้ำบุญไว้ในอดีตแล้วจะมาเกิดหมองจังซี่สถานที่แห่งนี้ในเมื่อเขามาเกิดสถานที่แห่งนี้แล้วบัดนี้อัตตะสัมมาปณิธิจัก ให้ตั้งตนไวชอบเนอพระพุทธเจ้าพันให้ตั้งตนไวชอบเนอลูกหลานเนออย่าไปเหตุสิ่งสิ้งที่มั่นบอดีไอ้ทิ่งที่มันบอดีอย่าเหตอให้มีสินหาเอาไวให้ยึดพระไตรสถานะคมให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แนวไหที่มั่นบอดีอย่าเหตอแนวบอดีเท่ากับหูจักจั่วกินเหล้าเมาสมั่นเทขเมาาสิ่งใดที่มันสัวศาสเสียหายอย่าไปเหตดเฮ็ุเต่แนเท่แนวที่มันดี เขาลบพ่อแม่พ่อแม่คู่บาอาจารย์ให้หูจักไหวยาวดขุนนวตเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วเข้าต้องเลี้ยงเพิ่นตอบเออเขาตอบแทนบุญคุณของพอ่อของแม่เมื่อเพิ่นเลี้ยงเข้ามาแล้วเข้าจะไปดูได้เข้าจะไปดูถูกเจดีย์ยามพ่อแม่เดิมบ่ถูกเนะ่าเพื่อมอบเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้เป็นนาทีของพวกลูกพวกหลานทุกขูทุกคน้นนี่แหละพ่อแม่คู่บา่ายจานเปิ้นสอนอทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ้นสอนจังสันเนา่าและก็พร้อม ก, กันนะลงพ่อในแนะนําเลือกท่านเลืงจิตเนี่ยลงพ่อกับบเป็นห่วงดอกลูกหลานทําบุญทําท่านอยู่แล้วแต่เรื่องภผาหน้าเนี่ยที่ลงพ่อแนะนํา้น้ำไหวพ้พระสวดมนต์กรรับก่อนั่นพลัอนนอนนนง พอไหวพาจบเรียบร้อยเล้นั่งภาวนาเออก่อนที่นั่งพ่อวนานั่งคัตมาดก็ได้นั่งคัตมา ด, ดมาท่เพชดก็ได้นั่งพับเพียบ ก, ก็ได้ถ้ามันปวดแข้งปวดขาหลายนั่งว่าอะก็นนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ก่อนที่นั่งประนมมือขึ้นระวางอกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกคนพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพานังจากนั้นก็เอามือลงปเปามือลงแล้วกะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุท พุทธโทนะอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงเมื่อวานเมื่อก่อนอย่าไปคิดถึงสิ่งย่งขอท่านมาถึงอย่าไปคิดให้ติอยู่กับปลายจมูกหมองล้มเขาล้มออกท่า น, นละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะนี่แหละจากมากแต่จิตใจของห้องจะได้รับสงบลมเย็นพราะจิตใจสงบอลมเย็นจุดสงบหนึ่งนะ เออเข้าจงหูได้อย่างที่หลวงพ่อได้บอกเน่ยร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันพอจิตใจจะงบเน่งนะเซนี่เออต่อไปเข้าไปเจ็ดเดินทางวิปัชนาพิจารณาร่างกายสังขานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายว่าเป็นของผู้มันบ่อเทียงเออจะจึตจากนั้นจิตใจของเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายค่ายจิตใจของเขาก็ลดลดผลจากอาสวะกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสัคขะาอานาคฆาเป็นพระหันในที่สด ถ้าเฮาบ่มเพี้นอันนี้เพี้ยงลงพอเพี้ยงแต่บอกแนวเบื้องต้นไหวสะก้อนวันไปเมื่อเฮาได้ศึกษาเป็นเบื้องตนแล้วมันเฮาเขียนกอไก่ถึงข้อลงหกได้แล้วบันเฮาสิ่ภสมสระอาสระอาสาระตัวอื่นเข้าไปอีกบันเนี่ยเฮาจะคอยอ่านออกเขียนได้เฮาก็จะเรี่ยนปริญญาตรีโทเอกต่อไปผ้าอีผักนาแต่คันเฮาบูจักกอไก่ขอไครสะก้อนเนี่ยเฮาก็เนียนบไได้เลยอันนี้คือกันนั่นแหะ ลงคอที่มาเบาหมดนี่คะแนะนำสั่งสอนพีน่น้องท้าหยาดนมลุกหลานถึงพวกเข้าจะได้ฟั่งแล้วนะเออได้ฟังเป็นพื้นฐานอยู่แล้วฟั่งองค์หนึ่งเบาแตนะ่ก็ยังบอกเข่าใจองค์หนึ่งมาเบาอีกอย่างมือเนี่ย ล, ลงคอเบาย่ำเขาอีกเออใช่ครูบาอาจารย์ก็ได้ฟั่งแล้วแหะแต่ลงคอเบาเนี่ก็ชัดเจนขึ้นมาอีกคงจะแมนแ่นละป่านนี่ต่อไปนี่ผู้ขาจะปฏิบัติแ่ะนี่แหละผู้ฟังทำ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 ปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ขวรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นออการกล่องวังโดยสติปัญญาและก็ภาวานามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวานาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองพอเฮากันกล่องโดยปัญญาของเฮาเนี่ยสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งวัดนะสถาญาตโยมลูกหลานทุกขูทุกคนนะเมื่อเได้ยินได้ฟังไปการกล่องไตรตองเหตุและผล ฟังมือนั่นได้ฟังมือนี้นะต่อไปก่ะจะติปัญญาของเฮาแหลมค่ขมข้นไปเรื่อยๆพวกพวกเฮาของหูจักแนวทางที่จะพ้นทุกข์ในวัะสงสารที่เจินแบบใด้เฮาจะหูได้เพราะเฮาได้ยินได้ฟังเฮาได้ศึกษานะการพูดและการกล่าวสมโภชธนิยกถาในมือ น, นีเห็นวาสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณภษีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองข อ, ขอให้พวกเฮ้าลูกหลานทุกคนน่าแ ต, แตออ่อาจารย์พงหลงพ่อพองของเฮ้านี่นะผอมคณะสัตร์ท่ายาดโน ม, มวัดปาโขกใหญ่ของเฮ้าให้มีต่ควมเจะเรื่นลุงเรื่องปรารถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิด